เรื่องความเพียรหนึ่งเรื่องสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งอาพาธภิกษุทั้งหลายถามท่านว่าท่านมีอุตริมนุสธรรมหรือท่านตอบว่าท่านทั้งหลายท่านผู้บำเพ็ญเพียรแล้วสามารถจะมีทำได้ท่านเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอาบัตปาราชิกหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พรงตรัสว่าภิกษุเธอไม่มีความประสงค์จะกล่าวอวดไม่ต้องอาบัตวงเล็บเรื่องที่สิบหก